ผานามสยามยุธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนคนพลนิกายเป็นมหายุาโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกังมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิจฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้สแสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ห้าางขี้ขลาดของเหล่าแม่ทัพเรือไทย ขันเกณฑ์ทัพบกทัพเรือจัดการไว้พร้อมแล้วทั้งสองทัพถึงณนะวันเดือนสามแรมห้าค่ำเวลาสามยามเจ้าพระยาบดินเดชาก็คุมกองทัพ บ, บกยกโจมตีเข้าป้นคล้ายยวนทางบกเป็นอนลมานขณะนั้นกองทัพ บ, บกแบกแต่ไม้ไผ่ไปเป็นผืนๆ พ, พอถึงชานค่้ายยวนกองทัพไทยวางแต่ทัพทาาขวางหนามที่แผ่นดิน เป็นช่องทางเดินเข้าไปจนถึงเชิงค่ายยวนสี่ด้านบ้างก็ยิงปืนโต้อตอบกับยวนบ้างบ้างก็ถอนขวากฟันเสาค่ายยวนบ้างก็นำบันไดหกไปพาดค่ายยวนขณะนั้นเป็นเวลาขมุกขมัวมืดหมอกลงเต็มทังอากาศยวนไม่เห็นกองทัพไทยถนัดยวนจึงจุดพลุตับขึ้นรอบค่ายยวนแสงพลุสว่างดังกลางวันยวนเห็นตัวพลฐานไทยถนัด ยวนก็วางปืนใหญ่แล้ววางปืนคาบศิลาตับระดมออกมาจากค่ายดังหาฝนกระสุนปืนต้องรีพนฐานไทยล้มตายเป็นอันมากที่เหลือตายทนกระสุนปืนไม่ได้ก็ต้องล่าถอยออกมาจากที่หลอมค่ายยวนนายทัพนายกองจะกดไว้ให้เข้าป้น่ายในขณะนั้นมีอยู่แต่แตกออกมาสิ้นที่พวกรามันและแขกจำถึงค่ายก่อนฝันค่ายบ้างปีนค่ายบ้าง ยวนก็นําไฟผนียงจุดสาบ พ, พวกกองรามันแขกจามแขกจามทนไม่ได้ไฟไหม้เสื้อหนังลงไปถึงเนื้อก็ต้องล่าถอยลงจากค่ายยวนยวนก็นําปืนยิงตายมากกลับมาน้อยตัวครั้งนั้นไทยจะหักปร้นค่ายยวนไม่ได้ด้วยริพน ล, ล้มตายลงมากมายนักเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้พระยาจ่าแสนบดีนายกองทัพช้างคุมทหารช้าง ยกเข้าไปปล้นลองดูอีกสักครั้งหนึ่งพระยาจ่าแสนบดีต้อนพลขมรขับช้างเข้าไปทลายค่ายยวนหยวนก็ยิงปืนใหญ่จากค่ายถูกช้างล้มตายลง1ิสามเชือกเพราะสว่างแล้วเป็นเวลาย่ำรุง่งยวนเห็นตัวช้างวางปืนใหญ่มาได้ถนัดแม่นยำเจ้าพระยาบดินเดชาเห็นดังนั้นแล้วจึงสั่งให้พระยาราชเสนาขึ้นม้าไป สั่งให้ทับหน้าล่าถอยเลิกมาทับหน้าทั้งปวงก็ล่าทับถอยมาสิน้นครั้งนั้นให้ทับช้างเป็นทับหลังระวังไพรพลที่ล่าออกมาหาเป็นอันตรายไม่ยวนก็ไม่ออกตามตีท้ายพลไทยครั้งนั้นเสียนายทับนายกองหน้าตายในที่รบสิบคนคือพระยานครอินรามันหนึ่งพระชนะพุกามรามันหนึ่งพระชนะไพรินทร์หนึ่งหลวงสุรเสณีหนึ่ง หลวงชนะสงครามหนึ่งหลวงเดชาธิกรหนึ่งพระยาเดชาสงครามขมิหนึ่งพระนรินทร์คชละคัมขมิหนึ่งหลวงพิทักษ์คชกรรมขมิหนึ่งหลวงอนันตะคชะไกลขมิ 1. หนึ่งรวมนายทัพที่ตายนั้นไทยสี่รามันสองขมิสี่รวมสิบคนแต่ขุนหมื่นพันทนายเลขไพรหลวงนั้นตายเท่าใดแจ้งอยู่ในรายงานการรบนั้นแล้ว ครั้นจับประมาณไปว่าเท่านั้นเท่านี้ก็กลัวจะผิดผิดถูกๆูหาควรไม่ฝ่ายทัพเรือนั้นเจ้าพระยาพระคังก็ต้อนให้ทัพเรือทั้งปวงยกเข้าตีทัพเรือยวนที่ตั้งขวางแม่น้านั้นพร้อมกันกับทัพ บ, บกวันเดียวกันแต่ครั้งนั้นยวนเห็นว่าไทยยกลงมามากยวนก็แยกทัพเรือออกแล้วแจวเรียบฝั่งแม่น้าขึ้นมาเป็นทานองดังปีกา เมื่อทัพเรือไทยยกลงไปใกล้ทัพเรือยวนยวนก็ยิงปืนไฟใหญ่น้อยมาจากเรือรบยวนยวนตั้งสู้รบเป็นสามารถเต็มทังแม่น้ําตั้งทัพเรือเป็นหน้ากระดานแล้วตั้งโอกรึ้นมาตามฝั่งน้ําทั้งสองฝากไม่มีช่องทางน้ําที่เรือรบไทยจะลงไปยิงปืนโต้ตอบได้บ้างครั้งนั้น เรือรบไทยกองหน้าก็รออยู่กลางน้ำเห็นเรือรบยวนขวางหน้าเต็มแม่น้ำไม่มีช่องเลยจึงได้ทอดสมอรออยู่กลางน้ำฝ่ายพระยาเดโชท้ายน้ำแม่กองหนุนเจวลงไปเห็นเรือพระยาภัยโนลิธหนึ่งพระยาวิสุทธ์โกษาหนึ่งพระยาทิพโกษาหนึ่งพระยาเพชรบุรีหนึ่งพระอนุรักษโยธาหนึ่งพระยาสงครามหนึ่งหลวงลักษณะมานาหนึ่ง หลวงมหาพิชัยหนึ่งแปดลำเหล่านี้แต่ล้วนเป็นนายทัพกํากับเรือรบมีชื่อที่พระยาพระหลวงอื่นอีกที่ไม่ได้ออกชื่อมานั้นเป็นอันมากท่านทั้งแปดลำนี้ทอดสมอเสียทั้งหมดไม่ยกลงไปพระยาเดโชทายน้ําจึงบังคับสั่งให้เร่งถอนสมอขึ้นรียบยกลงไปในเดียวนี้ขณะนั้นเรือรบแต่ที่เป็นนายกองหน้าที่ใหญ่แปดลำและเรือลูกกองอีกมาก ก็ถอนสมอเรือรบเร่งยกลงไปใกล้เรือข่ายยวนยวนก็ยิงปืนโต้อตอบมาแต่กระสุนปืนยังไม่ถึงเรือรบไทยเหล่านั้นเรือรบไทยเหล่านั้นแกวลงไปเสมอไม่หยุดแต่พอใกล้กระสุนปืนยวนตกมาถึงถูกเสาหักบ้างถูกกราบเรือแตกบ้างถูกคนตกน้ำลงตายสี่คนถึงเช่นนี้พระยาอภัยโนริศก็ให้รีบแกวลงไปเสมอไม่ให้หยุดครันใกล้เรือรบยวนและเห็นกันถนัด ยวนก็นำเรือเล็กๆเจยวขึ้นมาสักสองร้อยลเศษยิงปืนขึ้นมาด้วยดังหาฝนพระยาพระหลวงนายทัพนายกองหน้านั้นขันเห็นเรือเล็กๆของยวนแกยวขึ้นมามากแล้วเหลียวหลังดูเรือรถไถกองหนุนนั้นก็ไม่เห็นตามมาช่วยบ้างจึงสั่งให้หลวงมหาพิชัยนำเรือช่วงกลับคืนไปตามเร่งกองทัพเรือหนุนนั้นให้ยกลงมาช่วยกันโดยเร็วหลวงมหาพิชัยกลับมาแจ้งว่า เห็นกองทัพเรือรบพระยาเดโชทายน้ำนั้นถอนสมอขึ้นแล้วแกวเข้าไปแอ บ, บตลิงอยู่ทั้งกองได้บอกว่าให้รียบยกลงมาช่วยกันก็ไม่มาจอดนิ่งเฉยเสียฝ่ายพระยาัยโนดิษบุญนาคได้ทราบข่าวว่าทัพหนุนไม่ลงมาช่วยนั้นแต่ทัพพวกเรานี้เห็นจะรับทัพเรือยวนไม่หยุดเป็นแน่แล้วพูดกันยังไม่ทันจะขาดคำลง ยวนยกมาทางเรือแล้วแบ่งคนขึ้นบนบกนำปืนหามเล่นขึ้นบกยิงมาตกลงในกลางเรือไทยหลายนัดแล้วทัพเรือยวนก็ห่ร้องตีคลองกรองเร่งเรียบแจวขึ้นมามากพร้อมกันกว่าร้อยลำเศษพระยาอภัยโนริ์เห็นดังนั้นแล้วจึงสั่งให้พระอนุรักษ์โยธาตีคลองสัญญาล่าทัพเรือรบทั้งปวงถอยหลังกลับมาเสียทั้งสิ้นพระยาเดโชท้ายน้าและพระยาจันทบุรี ก็ถอยทัพเรือมาเสียบ้างถอยขึ้นมาทอดสมอเสียที่แหลมปรารถนาจะให้แหลมใหญ่บังกระสุนปืนยวนยวนก็รีบเร่งแกวขึ้นมาเสมอแต่ยังอยู่ห่างไกลกันมากเพราะเรือยวนทวนน้าจึงช้าเรือไทยตามน้ํามาโดยเร็วขณะนั้นพระสิริสมบัติเป็นผู้ตรวจการรายงานเห็นทัพเรือถอยกลับมาหาทราบเหตุการณ์ประการใดไม่จึงรีบไปแจ้งเจ้าพระยาพระคลังเจ้าพระยาพระคลัง จึงลงเรือแง่ตายผลแจวอยี่สิบคนนั่งกลางเรือมือถือดาบปักผ้าตักอยู่สั่งให้ผลแจวแกวเรือเที่ยวไล่เรือรบทั้งหลายให้เร่งถอนสมอยกลงไปต่อสู้กับยวนโดยเร็วให้ทันท่วงทีแก่ฆ่าสึเมื่อเห็นคนในลาเรือนี้ถอนสมอขึ้นแล้วก็สั่งให้ออกเรือแจวไปไล่เรือลําอื่นต่อไปอีกให้ถอนสมอรีบเร่งไปโดยเร็วครัน้นเจ้าพระยาพระคลัง ถอยเรือรบห่างจากเรือลำนี้แล้วไปไล่ลำโน้นนั้นที่ลำนี้ก็ปล่อยสมอลงน้ําไปเสียดังเก่าเรือรบทุกลำทําตามกันดังนั้นต่อๆไปแต่เจ้าพระยาพระครังเที่ยวไล่เรือลำนี้ลำโน้นหลายหนหลายเที่ยวกลับไปกลับมาก็ไม่เห็นเรือลําใดถอนสมอขึ้นได้สักลําหนึ่งหมายเหตุจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเดชะบุญเผอิญเรือรบยวนจอดรออยู่ที่ท้ายแหลมใต้ ไม่ได้ยกขึ้นมาใกล้ทัพเรือไทยครั้งนั้นนายทัพนายกองเรือรบไทยดื้อดึงนักเพราะเจ้าพระยาบดินเดชาขึ้นบกไปไม่ได้อยู่บงังคับบัญชาเรือรบด้วยถ้าท่านอยู่ที่ไหนคงจะตายลงบ้างไม่มากก็น้อยพระยาพานทองหรือพระยาอะไรก็คงจะตายบ้างคงจะฟันเสียบ้างพอเป็นตัวอย่างให้กลัวอำนาจราชการทัพศึกจึงจะไม่ถ้อถอยแต่เจ้าพระยาพระทังท่านไม่ใช่คนดุร้าย เป็นคนใจดีโอบอ้อมอารีมีเมตตาแก่เพื่อนราชการด้วยกันมากแต่เพื่อนราชการหาได้มีใจรักท่านไม่เพราะเช่นนั้นไผ่เกือบจะมาถึงท่านการที่เรือรบไทยถอนสมอไม่ขึ้นนั้นเป็นเพราะขุนนางผู้ใหญ่ก่อการก่อนจะขอออกชื่อไว้ให้ปรากฏที่เป็นคนมียศใหญ่หัวหน้าก่อการขาดนั้นคือเจ้าพระยาพลเทพชื่อชิมโจโฉหนึ่ง พระยาเดโชท้ายน้ำหนึ่งพระยาราชวังสันหนึ่งพระยาเพชรบุรีหนึ่งพระยาราชบุรีหนึ่งพระยาเทพวรชุนหนึ่งพระยาอภัยโนริชื่อบุญนาคหนึ่งพระยาจันทบุรีหนึ่งพระยาตราดหนึ่งพระยาระยองหนึ่งพระยานครชัยศรีหนึ่งพระยาสมุทตสงครามหนึ่งพระยาทิพโกษาหนึ่งพระยาวิสูตรโกษาหนึ่ง พระยาณเรนท ร, ริตรโกษาเขตจามหนึ่งพระยาไตรโกษาหนึ่งออกชื่อแต่สิบหกคนนี้ที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งนั้นอย่างพระยาพระหลวงหัวเมืองและในกรุงทั้งพระราชวังหลวงและพระราชวังบวรที่เป็นนายเรือรบลูกกองยังมีอีกหลายลำหลายชื่อแต่ไม่เป็นใหญ่สําคัญจึงไม่ได้ออกชื่อไว้ในนี้เมื่อเรือรบลูกกองเห็นท่านผู้ใหญ่ทุกคนถอนสมองไม่ขึ้นทั้งสิบหกลำ เรือรบลูกกองทั้งปวงนั้นก็ถอนสมอไม่ขึ้นบ้างเหมือนกันแต่เรือรบไทยครั้งนั้นทั้งแม่กองและลูกกองถอนสมอขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยย้อนลงไปเสียทีหนึ่งทำดังนั้นเสมอทุกลำถ้าลำใดเห็นเจ้าพระยาพระกลางหรือพระสิริสมบัติและพระราชพิทักษ์เรือตรวจแจวมาใกล้มาเร่งรัดให้ถอนสมอรีบยกลงไปเร็วเร็วเรือรบเหล่านั้นก็ทำเป็นถอนสมอไม่ขึ้นบ้างบางลำ ทำเป็นถอนจวนจะขึ้นผลน้ําแล้วถ้าเรือตรวจถอยไปเร่งรัดลําอื่นต่อไปอีกเรือที่ถอนสมอขึ้นผลน้ํานั้นก็ปล่อยสมอลงน้ําไปเสียอีกเล่าทําดังนี้เหมือนกันทุกๆลําจึงไม่ได้มีเรือรบไทยลงไปต่อรบกับยวนสักลําเดียวเพราะนายทัพนายกองเรือเห็นใจว่าเจ้าพระยาพระทังไม่ดุร้ายจึงไม่กล้าสามารถทําดังนั้นได้แต่คราวนั้นก็เป็นเคราะดีไม่มีเหตุร้าย จบหมายเหตุฝ่ายกองทัพเรื อ, อยวนแกวขึ้นมาถึงท้ายแหลมนามนาวไม่เห็นเรือรบไทยยกลงไปต่อสู้ก็รู้ว่าเรือไทยถอยหนีแล้วทัพเรื อ, อยวนก็แบ่งกันรักษาทางน้ําที่แหลมวามนาวบ้างยกขึ้นบกบ้างพวกที่ขึ้นบกนั้นก็ช่วยกันระดมตีทัพพระยาเกียรติพระยารามกองหน้าทัพ บ, บกเจ้าพระยาบดินเดชาเห็นยวนทัพเรือยกขึ้นมาช่วยทัพ บ, บกดังนั้นก็เข้าใจว่า ทัพเรือเจ้าพระยาพระทังเสียแก่ยวนแล้วเป็นมั่นคงยวนจึงได้ยกทัพเรือยกขึ้นบกมาช่วยตีไทยเป็นหลายกองผู้คนล้มตายลงเป็นอันมากทั้งนายทัพผู้ดีและไพร่พลตายมากนักเจ้าพระยาบรินเดชาพูดว่าเฉิงศึกยวนแหลมกล้าหานักทั้งทัพ บ, บกทัพเรือยวนองอาจสามารถถึงเรือเสียขึ้นมาช่วยทัพ บ, บกตีไทยแตกไปหลายกองแล้วเห็นเหลือกําลังจะต่อสู้ยวนไม่ได้ ทัพเรือไทยไม่มีจะหนุนทัพ บ, บ, บ, บกทัพบกทัพเดียวเสียเปรียบยวนมากถ้าหากว่ายวนจะให้ทัพเรือเข้าโอบอ้อมขึ้นมาทางเหนือปากคลองวามนาวแล้วยกวกหลังตลบมาตีทัพ บ, บกเราที่ปากคลองแสกนี้เราก็จะเป็นที่ขัดสนจนปัญญาจะหนีก็ไม่มีทางจะไปทนได้จะอยู่สู้ก็จะสู้ไม่ไหวเพราะผู้คนก็น้อยไม่มีทัพหนุนอีก ถ้าขืนจะอยู่สู้กับยวนที่นี่เห็นทีจะต้องเป็นศึกขนาดถ้าชนะก็จะไม่ได้อะไรหยวนก็จะหนีไปเท่านั้นถ้าแพ้ก็จะแพ้ราบคาบจนจะพาชีวิตกลับบ้านแต่สักคนก็เห็นจะไม่ได้เพราะทัพเรือไม่ยกหนุนมาทันท่วงทีศึกคิดดังนี้แล้วจึงสั่งให้ถอยทัพล่าลงไปฟังข่าวราชการทัพเรือดูก่อนเจ้าพระยาบดินเดชา ล่าทับบกถอยมาถึงฝั่งน้ําคลองบามนาวนั้นแล้วได้พบ ก, กันกับเจ้าพระยาพระคลังเจ้าพระยาพระคลังเล่าความให้ฟังทุกประการแต่ต้นจนสุดฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาจึงตอบว่านายทัพนายกองทัพเรือไม่ยำเยงเกรงกลัวแม่ทัพใหญ่นายเรือดังนี้จะทําราชการศึกสงครามต่อไปที่ไหนได้เล่าให้พาตัวผู้ที่เป็นนายทัพนายกองเรือผู้ขาดเถ่ามาค่าเสียให้สิ้น อย่าเลือกหน้าว่าผู้ใหญ่และผู้น้อยข้าเสียแล้วให้ตั้งผู้น้อยที่กล้าหาญแข็งแรงแทนที่ผู้ใหญ่ที่ข้าเสียขืนเครื่องยศเกี๊ยบกระบี่คนทีน้ำผ่านหมาดทองคําผู้คลาดมาให้แก่ผู้กล้าต่อไปเห็นจะดีแล้วจะได้ยกเข้าสี่ยนอีกครั้งหนึ่งลองดูเห็นว่าจะได้ชัยชนะเป็นมั่งคงเพราะว่าพวกที่ขี้ขลาดเราก็ฆ่ามันเสียหมดแล้ว เหลือแต่ผู้ที่กล้าแข็งก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาและพระยาพระหลวงคุมทัพเรือต่อไปพวกใหม่มันคงจะมีใจแข็งแรงต่อราชการจริงๆดอกกระมังเจ้าพระยาพระลังจึงตอบว่าซึ่งใต้เท้ากรุณาบรรชาโปรดมาดังนี้ก็เป็นทางยุทธธรรมชอบด้วยราชการอยู่แล้วแต่ท่านนายทัพเรือเหล่านี้ แต่ล้วนมีชาติตระกูลเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่กินผานทองขี่แค่ก็หลายคนไม่ได้มีผู้น้อยเลยมีแต่สักดินาหมืน่นหรือห้าพันเป็นผื้นทุกคนจะค่าเสียหมดอย่างไรได้เห็นว่ากีดนี้กีดนั้นกีดโน้น ต, ต่างๆนานานถ้าค่าเสียก็คงจะมีผู้อาฆาตต่อไปภายหน้าเป็นมั่นคง เมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาได้ฟังคำเจ้าพระยาพระคลังห้ามปรามทัตทานดังนั้นแล้วท่านจึงตอบว่าธรรมดาแม่ทัพอ า, าสาศึกพระเจ้าแผ่นดินมาทําสงครามก็หมายใจจะหาความชอบให้มีชื่อเสียงไว้ในแผ่นดินชั่วฟ้าและดินไม่สูญสิน้นการฆ่าผู้ฟันคนเป็นธรรมเนียมของแม่ทัพอยู่เองใครดีก็แต่งตั้งให้ปันรางวัลอยศักด์แก่มัน ใครชั่วก็ต้องฆ่าฟันเขี่ยนตีตามโทษหนักและเบาตามกางก็เมื่อเราฆ่าเจ้าพระยาและพระยาพระหลวงคราวนี้นานไปข้างหน้าใครจะผูกภัยระยำหนาจแก่เราก็ตามอัธยาศัยแล้วแต่การจะเป็นไปเถิดไม่ฆ่าทำการสึกต่อไปไม่ได้เป็นแน่เว้นเสียแต่จะไม่รบกับยวนจะกลับหรือจะชวนดีกันนั้นและจะพากันตัวรอดได้ ฝ่ายเจ้าพระยาพระังจึงตอบว่าเดี๋ยวนี้สเสบียงอาหารกระสุนดินดำก็มีน้อยอยู่แล้วกับเดือนสามข้างแรมและเดือนสี่ข้างขึ้นในระหว่างฤดูนี้ก็เป็นเทศกาลน้าน้อยเรือรบไทยก็เป็นเรือใหญ่เรือใหญ่มากจะเดินไปในคลองเหล่านั้นก็ไม่สะดวกเกรงว่าแม่ทัพเรือจะทำการไปไม่ตลอดสาเร็จได้แล้วโทษก็จะมีแก่แม่ทัพเรือ ถ้าจะขืนไปก็จะเสียทัพเพราะน้าน้อยขันจะกลับเสียกลางทางก็ไม่ได้ไผ่ก็จะมีแก่แม่ทัพเพราะไม่มีตราให้กลับกลับมาทำไม่เล่าขันจะค่มขืนใจไปก็จะเสียพลและเรือด้วยถ้าเป็นดังนี้จะมีรับสั่งลงโทษเราแม่ทัพตามบทอาการศึกอย่างเช่นเราทำแก่ลูกกองเหล่านั้นจนถึงต้องฆ่าฟันกันตายหมดท่านจะทาแก่เราดังนั้นบ้างตามกฎหมายเรา มิตายเปล่าหรือถ้าเราตายต้องฆ่านั้นวงตระกูลของเราจะได้รับความอับยศดยิ่งกว่าตระกูลพวกที่เราฆ่าเขาเหล่านั้นอีกเพราะวงตระกูลเราเป็นวงแม่ทัพต้องรับอายมากกระผมกราบเรียนใต้เท้ามาทั้งนี้โดยความพักดีสุจริตรักใต้เท้าเหมือนพี่น้องร่วมปุทุนขอให้ใต้เท้าดำริให้รอบคอบเทิน เมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาได้ฟังคําเจ้าพระยาพระคลังบรรยายชี้แจงแสดงเหตุผลต้นปลายที่จะเกิดภัยอันตรายดังนั้นแล้วจึงตอบว่าถ้าเจ้าคุณพระคลังคิดเห็นดังนั้นแล้วฝ่ายผมก็ได้แต่ช่วยคิดที่จะล่าถอยหนียวนอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีประตูอื่นที่จะพูดต่อไปอีกได้แต่ว่าเมื่อจะล่าถอยไปนั้นขอให้เจ้าคุณ ทำหนังสือประกาศพิฆาตโทษภาคธันเจ้าพระยาและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองที่มีความผิดเหล่านั้นให้รู้คุณและโทษตัวเสียก่อนจึงจะล่าไปพวกนั้นจะไม่ได้ดูหมิ่นประมาทอำนาจแม่ทัพได้เจ้าพระยาพระคลังก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้พระสิริสมบัติเขียนหนังสือประกาศพิฆาโทษภาคทันนายทัพนายกอง นำไปอ่านประกาศทุกทัพทุกกองแล้วสั่งให้เตรียมไว้ให้พร้อมจะล่าถอยไปในวันเดือนสามแรมเจ็ดค่ำนั้นให้พระยารามพระยาเกียรติหรือข่ายบกเสียสิ้นถอนคนทัพ บ, บกยกลงเรือเฉลยขมินและเรือแง่าสายที่เก็บของยวนได้มากน้อยเท่าใดก็บันทุกพลทหารรบยกล่วงหน้าไปยังเมืองโจร ก, ก่อนทับเรือแล้วเจ้าพระยาพระขังสั่งให้เจ้าพระยาและพระยาพระหลวง นายทัพเรือรบมีชื่อล่าถอยตามออกมาต่อภายหลังครั้นเมื่อเรือรบมีชื่อทั้งหลายล่าทัพมานั้นก็ช่วยกันถอนสมอขึ้นโดยเร็วทุกๆุกลำทุกลำไม่มีใครทําดังแต่ก่อนนั้นเลยกองทัพเรือก็รีบเร่งแข่งกันล่าถอยออกทิงกันแย่งกันออกมาก่อนมาหน้าหาเป็นกระบวนไม่ฝ่ายพระยานรงค์กริชโกษาแขกยามและพระยาวิเศษสงครามรามพักดีฝรั่งเข้ารีบทั้งสองกอง ไปตั้งปิดช่องปากคลององเกียงไว้ครันทราบคำสั่งให้ถอยทัพจึงให้บาทหลวงฝรั่งเศสชื่อเปโรไปเร่กล่อมพวกยวนเข้ารีดที่อยู่ในคลององเกียงซึ่งสมัครมา ก, กับไทยนั้นทั้งครอบครัวประมาณห้าร้อยเศษบาทหลวงเปโรพายวนลงเรือแง่บันแง่เลยอบพยศครอบครัวลงเรือใหญ่น้อยล่องตามกองทัพไทยมาทั้งสิน้นกองทัพ บ, บกเจ้าพระยาบดินเดชา ก็ยกขึ้นพักอยู่ที่เมืองโจโดกรักษาเมืองโดยกวดขันแต่ทัพเรือทั้งสิ้นก็ผ่อนกันเข้ามาในคลองขุดใหม่ต่อท้ายเมืองโจโดกมาพักอยู่ที่เมืองบันทายมาศซึ่งไทยตีได้แต่ก่อนนั้นแต่เรือเจ้าพระยาพระคลังแวะเข้าจอดพักอยู่ที่ในเมืองโจโดกเพื่อจะได้ปรึกษาราชการศึกกับเจ้าพระยาบรินเดชาช่วยกันจัดการรักษาป้องกันเมืองโจโดกเพราะเข้าใจว่า ยวนคงจะยกทัพเรือมาตีเมืองโจโดกคืนเป็นแน่ครั้งนั้นเจ้าพระยาบริณเดชาสั่งให้เจ้าพระยาสุนทรานุรักษพาไพ่พลขมิญและลาวไปขุดมูลดินพูลโคกทำป้อมที่หน้าเมืองป้อมหนึ่งแล้วให้จัดการรักษาหน้าที่เชิงเทินรักษาเมืองโดยสามารถแต่เรือใช้สอยเล็กน้อยให้มีไว้พร้อมแล้วแต่กองลาดตะเวนทั้งทางบกและทางเรือสำหรับสืบข่าวทัพยวนเป็นหลายพวก ครั้นณเดือนสามแรมเก้าค่ำหลวงฤทธินรงค์ของตระเวนเรือฝ่ายเหนือมาแจ้งความว่าได้ไปลาดตะเวนถึงคุ้งไัยเหลืองในคลองวามนาวได้เห็นเรือรบยวนยกมามากเป็นเรือป้อมสามสิบลำเรือข้าใหญ่สิบห้าลำแต่ล้วนมีทหารมามากสำหรับเพิ่มเติมคนเรือรบเล็กๆและมีเรือแงโอสามสิบลำเรือแงทรายสามสิบลำยกมาถึงแหลมวามนาว แล้วเจ้าพระยาบรินเดชาจึงว่ากับเจ้าพระยาพระขังว่าเราล่าทัพเรือมาถึงเมืองโจดกได้สองวันอไายวนก็ยกทัพเรือตามเรามาหมายจะตีเราที่ปากคลองขุดใหม่เมื่อเรือรบใหญ่ของเราเข้าคลองแน่นอัดกันนั้นแต่ไอยวนมาไม่ทันท่วงทีเราเรือเราเข้าในคลองขุดใหม่ได้เสียก่อนเป็นการดีตัวเราอยู่ที่นี่มีกำแพงป้อมพอต่อสู้กับมันได้ช้านาน แต่วิตกอยู่ที่ทัพเรือเข้าไปในคลองกลัวว่าถ้าน้ําจะน้อยแล้วด้วยเป็นเรือรบใหญ่โตอยู่มากเกรียกว่าถ้าไอ้ยวนยกทัพเรือมาทํากับเราที่โจโดกนี้ได้รบกันศึกยังติดพันกันไปช้านานอย่างไรก็ยังไม่รู้เลยแล้วยวนจะใช้ให้ทัพเรือเล็กๆ เ, เ, เข้าไปในคลองขุดใหม่ไล่รบยิงเรือรบของเราที่ใหญ่ยังไปไม่ถึงเมืองบันทายมากหรืออยู่กลางทาง จะไม่เสียราชการและเสียเรือเสียคนแก่ยวนหรืออย่าช้าเลยไม่ได้ให้เจ้าคุณพระคลังเรียบเข้าไปเร่งเรือรบให้ไปโดยเร็วหรือจะจัดการป้องกันอย่างไรได้ไม่ให้เป็นอันตรายแก่คนและเรือรบนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านเถิดเจ้าพระยาพระคลังได้ทราบดังนั้นแล้วก็เห็นด้วยจึงลงเรือแง่ใสายี่สิบแก้วและมีเรือแง่ใาสา่ลำละยี่สิบแก้วอีกสี่ลำ นำตามท่านเข้าไปในคลองขุดใหม่เพื่อจะได้เป็นเรือป้องกันท่านแม่ทัพเรือไปในคลองขุดใหม่ด้วยครันรุ่งขึ้นณวันเดือนสามแรมสิบค่ำทหารไทยที่รักษาอยู่บนหอรบหน้าเมืองโจดกนั้นเห็นทัพเรือรบยวนยกตามมาทอดอยู่ใต้เมืองโจดกเรือสีสระบ้องสามสิบลำทอดสมอเรียงตามน้ําต่อ น, นั้นไปก็เป็นเรือค่าใหญ่สิบห้าลำทอดอยู่หลังเรือป้อมเป็นแนวหลัง แล้วมีเรือแงโอแงตายห้าสิบลำมาทอดสลับปันปลากันกันกบเรือป้อมและมีเรือช่วงเล็กๆอีกยี่สิบลำสำหรับใช้สอยไปมาถึงกันตามเรือรบทั้งปวงเรือรบยวนทั้งสิ้นนั้นมาทอดสมออยู่ห่างจากเมืองโจดกประมาณยี่สิบแปดเส้นครันเวลาค่ำยวนตีกลองฝึกหัดทหารจนเวลาดึกสามยามเศษจึงเลิกยวนทำดังนั้นเพื่อจะไวเป็นอำนาจให้ไทกลัว อีกอย่างจะได้ไม่ให้ทหารนอนหลับเถอหลับนอนมีเหตุการณ์มาจะปลุกยากครั้นรุ่งขึ้นเดือนสามแรมสิบเอ็ดค่ำเวลาเช้าโมงหนึ่งเศษยวนก็ขับเรือรบแจวติดเมืองกันมาเป็นผิวยกเข้าตีเมืองโจดกุกยวนเอาเรือสีสาป้อมแจวเรียงขนาดหน้าเป็นตับต่ะ ต, ต่อมาที่หน้าเมืองโจดกุกแล้วยิงปืนใหญ่ใส่หน้าเรือมีลูกปืนมาตกถึงชานเมืองบ้างหลายลูก ขณะนั้นทหารไทยที่รักษาหน้าที่บนเชิงเทินเมืองก็วานปืนใหญ่บนป้อมยิงลงไปถูกเรือรบยวนที่เข้ามาใกล้าชานเมืองนั้นล่มลงสองลำพ้นทหารยวนว่ายน้ําขึ้นบนตลิง่งขณะนั้นพลไทยที่รักษาประตูเมืองนอกกําแพงกรูกันลงไปฟันแทงยวนที่ตลิ่งล้มตายมากเรือรบยวนลําอื่นๆก็หนุนเนื่องกันเข้ามายิงปืนใหญ่โต้ตอบกับไทยอยู่เสมอไม่ได้หยุดหย่อน ฝ่ายไทยซึ่งประจำรักษาหน้าที่เชิงเทินบนกำแพงนั้นจึงวางปืนใหญ่จ่ารุงหมนทกนกสัพทคาบศิลายิงระดมลงไปเป็นหาผลเรือรบยวนก็ไม่ได้ทอถอยหลังแม่ทัพนายกองฝ่ายยวนก็เร่งตีกรองสึกเร่งให้เรือรบเจวผ่านหน้าเมืองขึ้นมาเสมอทุกลำติดเนื่องกันไม่ได้หยุดหย่อนบ้างตกน้าตายบ้างตายอยู่ในเรือทุกลำถึงอย่างนั้นแม่ทัพยวนก็เร่งตีกรอง เร่งเรือรบให้รีบเจวเข้าไปต่อรบยิงปืนโต้อตอบกับไทยอยู่เสมอเพราะด้วยกรองศึกยังตีเร่งอยู่เสมอทัพเรือจะถอยก็ไม่ได้ต้องทนแกวลื่อเข้าไปตามเสียงกรองอาญาสิทธิแม่ทัพยวนขณะนั้นผลทหารในเรือรบยวนถูกปืนตายมากนักที่ตายก็ตายไปที่เป็นอยู่ก็ต้องเร่งเจวเรือรบเข้าไปเสมอถอยไม่ได้หยุดไม่ได้ด้วยเกรงอำนาจแม่ทัพยวนยิ่งนัก เรือรบอุตสาหะแจวฟ้ า, ากระสุนปืนไทยขึ้นมาถึงตลิ่งข้างเหนือเมืองโจโดกแม่ทัพเรือยวนจึงสั่งให้นำเรือรบทุกลำจอดเข้าที่ตลิ่งหมายใจไว้ว่าจะขับพลทหารเรือให้ขึ้นบนบกยกเข้าตีหักร่นเมืองโจโดกในเวลากลางวันด้วยความกล้าสามารถของยวนเป็นกำลังยิ่งนักฝ่ายพระยาจ่าแสนบรีศรีบริบาล น, นายทัพรักษากำแพงด้านเหนือ เห็นยวนกล้าป่ากระสุนปืนดื้อให้เรือรบแก้วเข้ามาจอดถึงตลิงได้แล้วเตรียมทหารจะยกขึ้นบกมาตีเมืองโจดกดังนั้นจึงสั่งให้ผลทหารไทยยกออกนอกเมืองหกรอคนถือสีชุกแตะบางกระสุนปืนแล้ววิ่งกลู ก, กันลงไปที่ตลิงนั่งแอบมูลดินที่ภูนยกไว้ดังคันนาที่ตลิงหน้าเมืองโจดกนั้นทหารทั้งหกร้อคนนาปืนคาบตลานั่งยิงที่คันดินริมตลิง ถูกยวนในเรือรบโดยใกล้ๆถึงตายมากยวนไม่ทันจะขึ้นบกได้เลยแต่คนเดียวขณะนั้นแม่ทัพยวนเห็นดังนั้นก็ตีกรองสัญญาให้ล่าทัพถอยเรือรบออกจากตะลิ่งแล้วพวกทหารยวนจึงได้นําไม้ขอนลูกกลิ้งใหญ่กลิ้งไปที่แคมเรือข้างนอกให้เรือเอียงตะแคงไปข้างนอกให้กราบเรือข้างในขึ้นรับกระสุนปืนไทยทําดังนั้นทุกลํา ราษนาจะให้กราบเรือข้างในบังกระสุนกันไผ่พลทหารแต่พอล่าถอยเรือออกไปจากตลิ่งได้ห่างทางปืนไทยได้แล้วก็ลอยลงไปบ้างนั่งแจวตามกราบข้างเรือนอกที่เอียงนั้นบ้างพอเรือรบยวนถอยออกห่างจากตลิ่งหน้าเมืองโจดุกได้แล้วยวนก็เห็นว่าผลทางปืนแล้วจึงลุกขึ้นยืนแจวเรือพร้อมกันล่าถอยเรือรบลงไปไม่ได้อยู่สู้รบกับไทยครั้งนั้นที่เมืองโจดกุก มีปืนใหญ่มากอยู่ก็จริงแต่ว่ากระสุนปืนที่ใหญ่แท้นั้นหาไม่ไม่จึงไม่ได้ยิงเรือรบยวนที่ล่าถอยไปให้เสียโดยมากฝ่ายยวนตีเมืองโจโดุกไม่ได้แล้วก็ล่าถอยเลิกทับกลับไปยังค่ายเก่าที่เกาะแตงฝ่ายพวกกองทัพเรือเจ้าพระยาพระคลังที่ยกเข้าครองขุดใหม่ไปนั้นขันไปถึงกลางย่านได้ยินเสียงปืนที่เมืองโจโดุกยิงโต้อตอบกันกับยวนนั้นพวกทัพเรือก็สําคัญคิดเข้าใจว่า ยวนยกทัพ บ, บกทัพเรือมาตีเมืองโจโดกแล้วคงจะยกเลยมาตามตีพวกทัพเรือเราด้วยเป็นแน่เมื่อพลทัพเรือไทยคิดดังนั้นแล้วก็เร่งรีบแจวมาถึงกลางย่านบ้างถึงต้นคลองบ้างที่นั่นเป็นที่ตื้นดอนน้ําก็น้อยคลื่นท้องเรือรบใหญ่ๆไปทุกลำพวกเรือรบไทยทั้งหลายเหล่านั้นบ้างแย่งชิงกันจะไปก่อนบางพวกก็แจวถ่อคำแข่งแย่งชิงขึ้นหน้า ปราถนาจะไปให้ผลภัยวนที่จะตามมาครั้งนั้นเรือรบรีบเร่งแข่งแย่งกันขึ้นหน้าไปก่อนจนโดนกระทบกระทั่งสีสาแตกกราบพังหางเสือหักเป็นอันตรายหลายลำเพราะชิงแย่งกันไปจนเรือทั้งปวงนั้นถึงที่ย่านกลางพร้อมกันก็แ อ, ออัดกันเข้าเต็มคลองไปไม่ได้ติดตื้นอยู่พร้อมกันทุกลำจนได้เกิดทะเลวิวาทบาดหมางกันขึ้นหลายพวก เกือบจะเกิดฆ่าฟันกันขึ้นเองด้วยต่างคนต่างมีอำนาจใหญ่โตด้วยกันทุกพวกเพราะแตกราวความสามัคคีซึ่งกันและกันมาแต่ก่อนครั้นเจ้าพระยาพระคังแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเรือตามเข้าไปทันในครองได้ทราบการดังนั้นแล้วจึงสั่งให้กองช้างขมรเมืองนครพนมเปนที่มาช่วยทัพ บ, บกคราวตี่ายปากคลองวามนาวแสดกนั้นให้แบ่งคนและช้าง มาช่วยชักลากเรือรบมีชื่อทั้งหลายที่ติดตื้นนั้นให้ตกลึกไปเมืองบันไทยมาศโดยเร็วแล้วกองช้างนั้นให้เดินบกไปทางเมืองกัมปอดฝ่ายพระคัชรินทรานุรักขมิญแม่กองช้างเมืองพนมเปญได้ทราบคำสั่งเจ้าพระยาพระคลังแล้วจึงแบ่งช้างยี่สิบเชือกให้หลวงพิทักษ์ขชินขมนิปลัดกองช้างคุมช้างยี่สิบเชือกแยกทางไปช่วยชักลากเรือรบทั้งปวงให้ตกน้ําลึกแล้วทุกลํา หลวงพิทักษ์ชินก็ขุมกองช้างยี่สิบเชือกเดินบกมาทางปากแขวงเมืองกำปอดขณะนั้นฝ่ายขมรป่าดงที่แขวงเมืองกำปอดคิดการกำเริบเป็นกบฏขึ้นจึงพาพักพวกที่ร่วมคิดเป็นจุลกรรมได้มากแล้วยกมาหาปืนรอบยิงถูกหลวงพิทักษ์ชินขมนปรปลัดกองตายบนหลังช้างแล้วยิงพวกขมรไพ่ในกรมช้างนั้นตายมากจึงยกเข้าตีชิงป้นช้างไปได้สิน้น จับพวกขมศเมืองพนมเปญที่คุมช้างมานั้นข่าตายเสียทั้งหมดห้าสิบคนฝ่ายขามรป่าดงที่เมืองกำปอดกวาดต้อนพาช้างไปสิ้นทั้งยี่สิบเชือกฝ่ายเจ้าพระยาพระคลังและพระยาพระหลวงนายทัพนายกลองเรือได้พักอยู่ที่เมืองบรรทายมาศแล้วเจ้าพระยาพระคลังสั่งให้ขุนอุดมพักดีกับหมื่นพิทักษ์นาทีคุมเรือแหบกสิบเจวเป็นเรือเร็ว มีปืนขานุกยางหน้าเรือลำกระบอกมีพลฐานแจวครบทั้งสิบแจวให้คุมไปคนละลำให้รีบไปคอยสื่อราชการอยู่ที่บ้านตลิงชันใกล้เมืองโจดุกคอยฟังเหตุการณ์ทับยวนจะยกมาอีกหรือจะแปลเป็นประการใดให้ผลัดเปลี่ยนกันทั้งสามลำมาแจ้งข้อราชการข่าวทัพยวนให้แม่ทัพที่เมืองบันทายมา ร, ราเตุการอยู่เนือง อานามสยามยุทธภาพที่สองตอนที่ห้าความขี้ขาดของเหล่าแม่ทัพเรือไทยกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป